สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิดยพิบาล น, นะครับพี่น้องครับเราอยู่ในกฎข้อที่16นะครับซึ่งเป็นกฎแห่งการได้รับอนุญาตหรือเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับการตอบคำอธิษฐานของเราจากพระเจ้าหลักการแท้จริงของการตอบคำอธิษฐานนั้นเราจะต้องเข้าใจและกฎระเบียบของการได้รับอนุญาตพี่น้องครับสอามวันที่ผ่านมานี้ได้กล่าวถึง อนุญาตการตอบคำอธิษฐานแบบโ no นหรือไม่ไม่อนุญาตครับแต่ได้รับพระพรซึ่งจากประสบการณ์ของท่านอักขทูตเปาโลในสองโครนีบทที่12ข้อ7็ถึงข้อที่นะครับซึ่งผมได้บรรยายไปแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงใช้การโจมตีของซาตานเพื่อให้น้ำมันไยของพระเจ้าสำเร็จความคิดของซาตานนั้นซึ่งชั่วร้ายครับแต่พระเจ้าอนุญาต ให้ทำได้เพื่อแผนการของพระเจ้าสำเร็จพอรอหลาครับเพราะว่าวิถีของพระเจ้าสูงกว่าทางของมนุษย์และความคิดของพระเจ้าก็สูงกว่าความคิดของมนุษย์ประเด็นต่อไปก็คือว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าสมบูรณ์มากขึ้นในคนที่อ่อนแอหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเราเพราะว่าการที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นครับและฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะปรากฏมากขึ้น ในคนที่รู้ตัวว่าตัวเองอ่อนแอประเด็นต่อไปก็คือการที่พระเจ้าไม่ตอบคาอธิษฐานหรือพระเจ้าตอบว่าไม่ทำให้เราได้รับ พ, อพอรเพราะว่าชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลครับท่านสามารถที่จะเข้มแข็งขึ้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นหนามที่ทิ่มแทงชีวิตของท่านอยู่และมีความชื่นชมยินดีที่ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าและภาคภูมิใจ สำหรับน้ําอันนี้ที่พระเจ้ายัางไม่ได้เอาออกไปจากชีวิตของท่านซึ่งน้ํานี้จะเป็นเหตุที่ทําให้คนสรรเสริญพระเจ้าได้และดูเผินๆ น, นะครับว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบคําอธิษฐานคําทูลขอของท่านอคาตูตเปาโลแต่พระเจ้าตอบคําทูลขอในระดับที่สูงกว่าปี่นองครับคงจำได้กันนะครับและเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของประสบการณ์ของวิลเลมแคร์รี่ วิลเลมแคร์รีนั้นถูกถนามขนานนามว่าเป็นบิดาของการรณรงค์การประกาศเผยแพร่ระดับโลกตัวเองนั้นอธิษฐานเพื่องานมิชชั่นทั่วโลกแต่พระเจ้าตอบว่าโน่พระเจ้าเรียกท่านออกไปครับออกไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศอินเดียในที่สุดท่านก็แปลพระคัมภีร์ถึงสามภาษาในประเทศอินเดียถึง3ภาษาและในวันนี้ครับ ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อที่7ครับพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อที่7โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะเมื่อพระเยซูทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ส่งร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้โปรดฟังอีกครั้ง ขณะเมื่อพระเยซูทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ส่งร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้พระบีข้อ น, นี้ครับมีการตกเถียงกันมากมายคริสเตียนหลายคนรู้สึกไม่เจ้าไม่เข้าใจคำถามครับเขาถามว่าเขาวิงวอนร้องทูลขอของพระเยซูได้รับคำตอบหรือเปล่า ถ้าว่าได้คำตอบแล้วทำไมพระเยซูต้องสิ้นประชนบนมังคเขนด้วยเราให้เรามาไขข้วรกันครับว่าความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไรบางคนคิดว่าพระเจ้าอนุญาตในที่นี้หมายความว่าพระเจ้าทรงช่วยองค์พระเยซูคริสต์ไม่ให้สิ้นประชนเพราะทุกข์ใจเกินไปก่อนขึ้นไม้กางเขนพี่น้องฝังละงโง่ไหมครับคำอธรริบายก็คือว่า พระเจ้าทรงช่วยพระเยซูไม่ให้ตายเพราะว่าความทุกข์ยากลำบากทุกใจเกินไปก่อนที่จะตายจริงๆบนไม้แขนครับการอธิบายแบบนี้นั้นมาจากพระคัมภีร์เดิมอ้างอิงได้ว่าพระเยซูทรงตัดกับเหล่าสาวกว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายซึ่งปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่26ก็38ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายคาว่าแทบจะตายนั้น ไม่ได้แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ทุกข์ใจแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่พระเยซูจะตายฝ่ายร่างกายก่อนถูกตรึงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความทุกข์ใจสุดๆที่ส่งผลทำให้ร่างกายตายได้มีคำอธิบายอีกแบบหนึ่งครับ ตามตัวอักษรว่าพระเยซูอธิษฐานว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้หรือขอให้จอกนี้เลื่อนพ้นไปจาก้าพผงด้วยเถิดหมายถึงพ้นจากความตายความเป็นมนุษย์ของพระเยซูปรากฏในที่นี้เป็นจริงเป็นจังมากและชัดเจนมากด้วยครับพระองค์กําลังเผชิญหน้ากับความโหดร้ายทนทุกข์ทรมานของไม้กางเขนและมีความรู้สึกแบกรับไม่ไหวยิ่งไปกว่านั้นความบาปของคนทั้งโลกอยู่บนพระวรากายของพระองค์ ความเจ็บปวดสาหัสเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในด้วยเหตุนี้เองพระเยซูจึงทูลขอตามสภาพที่แท้จริงว่าขอให้จอกนี้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปเถิดแต่ขณะที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากทุกทนทรมานที่สุดนั้นการตัดสินใจของพระเยซูซึ่งเป็นทางเลือกว่าจะไปทางไหนในที่สุดพระเยซูก็ยอมตอพระบิดาว่า ขอให้เป็นไปตามพระไท่ของพระองค์เถิดพระเจ้าพระบิดาอนุญาตโดยเติมพลังเลี้ยวแรงให้กับพระองค์พระกัีบันทึกว่าทูตสวรรค์ก็มาปรนนิบัติพระองค์แล้วในที่สุดน้ำพระไท่ของพระเจ้าก็สําเร็จครับความรอดในที่นี้ที่เกิดขึ้นจากการที่พระเยซูอธิษฐานพระเจ้าตอบว่าโนพระเจ้าตอบว่าโน โน no, ต่ออะไรครับโน no, ต่อคำคำทูลขอที่ว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้จอกนี้เลื่อนออกจากข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าตอบว่าไม่ครับแต่ในขณะที่พระเจ้าตอบว่าไม่นำพระพรนำความสำเร็จนำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับมวลมนุษยชาติก็คือพวกเราทั้งหลายและบรรดาผู้เชื่อทุกทุกคนทุกยุคทุกสมัย ได้รับพระคุณของพระองค์จากตรงนี้เองพี่น้องครับการเซโนของพระเจ้าทุกๆครั้งครับมีประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของเราและจะนำไปซึ่งประโยชน์สูงสุดกับคนอื่นๆรอบข้างเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือเราเองนั้นจะต้องรับทราบและ หนุนจิตชูใจตัวเองหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันว่าหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราอาธิษฐานทูลขออะไรจากพระเจ้าพระเจ้ายัางไม่ตอบโปรดกรุณาอย่างงอนพระเจ้านะครับโปรดกรุณาอย่าทิ้งพระเจ้านะครับโปรดกรุณาอย่าทอดใจท้อถอยนะครับหากท่านเป็นเช่นนั้นชีวิตของท่านจะขาดครับชีวิตของท่านจะขาดทุนชีวิตของท่านจะไม่เติบโต และมีแนวโน้มที่จะหลุดและห่างออกจากพระเจ้าไปไกลทีเดียวนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องครับในขณะที่เรามองพระเยซูเราเห็นว่าพระเยซูนั้นทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสก่อนจะขึ้นไม้กังเขนด้วยซ้ำครับในความทุกข์ทรมานตรงนั้นอยู่ในสวนเกตเซมเนทีพ่พระเยซูนั้นกาลัง เกิดปัญหากับความรู้สึกของตัวเองเกิดปัญหาอุปสรรคกับร่างกายของตัวเองเพราะว่าเปลี่ยเพลียและรู้สึกเป็นทุกข์ใจกังบนอย่างยิ่งยวดสูงสุดแต่ในขณะเดยียวกันครับพระเยซูก็พร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูก็พร้อมที่จะรับคำตอบที่ว่า no พี่น้องครับ หากถามวันนี้เดี๋ยวนี้ว่าเราพร้อมที่จะรับคำตอบเมื่อเราอธิษฐานจากพระเจ้าว่าโ no. นพร้อมไหมครับขอพระเจ้าเสริมกำลังเมตตาเราทั้งหลายขอพระเจ้าได้ทรงโปรดบุยพระพรอย่าให้เสนามากเกินไปในชีวิตของเราอาเมน